จากนี้ไปเป็นการแสดงปาธกถาธรรมเรื่องแก้ปัญหาชีวิตที่ตัวเราเองโดยพระธรรมโกสาจารย์ปัญญานันทพิขุวัดชนระทานลังสริก ป, ปากเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2541ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้นะบัดนี้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 ตามสมควรแก่เวลาโมนีเดินฟ้าอากาศค่อยดีขึ้นเมฆฝนก็หายไปต้องคว้าแจ่มใสก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปกันอยู่อย่างนี้มีฝนมีหนาวมีร้อนสลับสับเปลี่ยนกันไป ในชีวิตของเราคนหนึ่งคนหนึ่งก็ผ่านฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนมาโดยลำดับจนกระทั่งอยู่ในวัยชราร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาพที่เรียกว่าจำรุดทุดโรมไปตามตามกันแต่เรานั่งสงบใจ แล้ว ก, นนก็นึกถึง น, น, นึกถึงอดีตเกินนึกต่อยหลังไปว่าสมัยหนึ่งเราเป็นอะไรนึกไปตั้งแต่ออกจากคันมานดาเป็นเด็กน้อยๆเติบโตขึ้นโดยลำดับเป็นเด็กไปโรงเรียนเรียนชั้นประถมสมัยก่อนไม่มีอนุบาลเรียนชั้นประถมเรียนมัธยม เก่ามหาวิทยาลัยสำหรับบางคนจับการศึกษาแล้วก็ทำงานทำการมีย่าวมีเรือนมีบุตรมีทิดาชีวิตสมบุกสมบันพบกับความสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างได้บ้างเสียบ้างจึงเป็นเรื่องธรรมดา เหมือนกับการเดินทางเดินขึ้นดอยบ้างลงบ้างถนนดีบ้างกุกล ร, รา บ, บ้างพบธรรมชาติสองข้างทางบางแห่งก็น่าดูบางแห่งก็แห้งแล้งไม่น่าดูจนกระทั่งมาถึงชีวิตในปัจจุบันนี้แล้วก็จะเดินต่อไปข้างหน้า ไปอีกสักเท่าไรก็ไม่รู้มาอะไรมันจะจบกันเสียทีก็ไม่รู้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นในสมัยนี้คนชอบจบจากชีวิตด้วยการทำลายตัวเองความจริงก็ไม่ได้มาไว้อะไรไม่กี่คนเมื่อเทียบส่วนพลเมืองซึ่งมีตั้งหกสิบล้านคนตายไปก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันเป็นข่าวปรากฏในหนังซพิมพ์ปรากฏในโทรทัศน์วิทยุเรียกว่าตายเป็นข่าวโด่งดังกันตัวตัวไ ป, ประกระตึกกระโกรมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไร เกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรเขาก็ไม่เข้าใจเข้าใจชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องมัวเมาห ม, มกมุ่นในเรื่องความสนุกสนานเองหาบางคนก็เป็นดาราแสดงในจอโทรทัศน์ในรูปต่างๆตามบท ท, ที่เขาบอกให้แสดง แต่ว่าบทแสดงของตัวเองนั้นไม่ค่อยจะถูกบทบาทเท่าใดชอบปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมเป็นนี่เป็นศิลป์รุงรังจนแก่ใหม่ไว้ก็เลยกระโดดลงไปลอยไปในแม่นม้ำในคลองซึ่งมีนม้ำสกปรกแล้วก็ถึงแก่ความตายไป บางคนก็ตายแบบวิถีฐานหน่อยขึ้นไปบนหลังกาตึกสูงๆแล้วก็ทุ่มตัวลงมามากระทบกองแข็งก็เรียบร้อยบางคนก็ยิงตัวตายบางคนก็ปลกคอตายบางคนก็กินยาตายมีวิธีตายแปลก ร้องความว่าทำลายตัวเองเพราะมีความทุกข์แล้วไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุของความทุกข์ไม่รู้วิธีแก้ไขจนปัญญาเป็นพวกที่ห่างเหินจากธรรมะไม่สนใจข่าวหาพระในที่จะสอนธรรมะให้เกิดปัญญาก็ไปวัดเหมือนกัน เจาะไปหาพระที่เอาะเอ ก, กบาลเล่นต้มน้ำลายรถหัวหรือว่ารถน้ำ ม, มนให้มันไม่มีอะไรจะเจริญทางจิตใจไปแล้วก็งูมบกลับมาเหมือนเดิมช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ศึกษาหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยทำลายตัวเองไปเสียหาย โดยนึกว่าจบจากชีวิตกันเสียทีแต่มันสร้างปัญหาให้แก่คนที่อยู่ข้างหลังที่จะต้องเป็นทุกข์รับทุกข์ต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องแต่เพราะไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยในทางธรรมะตั้งแต่เล็กแต่น้อยเติบโตขึ้นในความพุ่งเพ้อแทเยอทยานด้วยประการต่างๆ ไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องไม่เดินผ่านวัดที่เขาสอนธรรมะบ้างไม่สนใจฟังมีหูไม่ใช่ฟังสิ่งที่ควรฟังมีตาก็ไม่ดูสิ่งที่ควรดูมีใจก็ไม่คิดพิจารณาในสิ่งที่ควรคิดพิจารณาเป็นอยู่อย่างงูงู้ง ไม่ฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่เลยก็ทำลายตัวเองคนทำลายตัวเองก็ไม่แจกคนที่งุแต่พูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามีการศึกษาก็มีเหมือนกันเจนว่าได้ปริญญาเอกเป็นดรแต่ก็ยังเป็นดรปัญญาโอนกันอยู่พอเกิดอึดอัดกัดใจก็ฆ่าตัวตาย ยิ่งตัวตายมีปืนแกล้ๆก็เปรียงก็ไม่เอาศพมาเป๋าที่วัดนี้สองด็อกเตอร์แล้วมันไม่เ้า่าจะเลยมีความรู้ตามลูกนิยมว่าเป็นปัญญาชนแต่ยังเป็นคนปัญญาอดในทางศาสนาไม่ได้รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะ ไม่รู้จักเอาธรรมะไว้ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเลยเสียคนเพราะว่าไม่สนใจศึกษาเรื่องที่ควรรู้ควรจะเข้าใจแต่ได้เรียนธรรมะไว้บ้างก็พอจะเป็นห้ามล้อไม่ให้ไหลเลื่อนไปสู่ความตกต่าเร็วเกินไปนี่มันเป็นอย่างนี้จึงเป็นเวลาที่สมควรแล้ว เราทั้งหลายจะต้องช่วยกันหันหน้าเข้าหาธรรมะเอาธรรมะไปไว้เป็นเครื่องประลาประโลมใจเป็นเครื่องปลอบใจเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะเรื่องอื่นมันช่วยไม่ได้วัตถุนี่มันช่วยไม่ได้เป็นว่ากลุ่มใจขึ้นไปดื่มเหล้าเวลาเมามันก็ไม่รู้ประสีภาษา ไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนก็ไม่มีความทุกข์ในขนาดนั้นแต่พอสางเมาก็ทุกข์ต่อไปหรือไปเที่ยวสนุกสนานตามสถานต้องเที่ยวยามราตรีก็เพลินไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอออกมาจากสถานที่เหล่านั้นความทุกข์มันก็รออยู่ตรงนั้นพอออกพ้นความสนุกสนานก็รุ่มใจ นั่งรถกลับบ้านด้วยความกลุ้มด้วยความทุกข์ต่อไปมันแก้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักเหตุของความทุกข์แล้วก็ไม่ตัดเหตุพระพุทธเจ้าสอนให้เราชัดเจนเข้าใจถูกต้องว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดไม่ได้ นี้เหตุแต่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเราเองอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การพูดการกระทำกา ร, าราก่อปานสมาคมการไปการมาของเราเองแต่คนไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจเวลามีอะไรทุกข์ขึ้นมาก็ไปโทษ ด, ดวงดวงไม่ดีโชคไม่ดีอะไรต่าง มาตะกี้ก็มีแม่ลูกสองคนมาตะาว้ของตะไว้ที่กรวดน้าอันหนึ่งพระพุทธรูปเล็ก ๆ, ๆองค์านใบหนึ่งแม่บอกว่าลูกเนี่ยเขาอยู่เมืองนอกเพิ่งกลับมาดวงไม่ดีหลวงพ่อถามว่าดวงมันแหว่งตรงไหนมันไม่ดีมันมันขาดไปอะไรไปมันไม่ดี ไอ้บอกว่ามันคล้อได้เพราะว่าพ่อบ้านนี่ไม่เอาไหนชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันามาหากินเงินก็ไม่ค่อยเหลือออได้ผัวจันไรมันก็อย่างนี้เองอะ่ะมันไม่ใช่ดวงไม่ดีโชคไม่ดีแต่มันชั่วไอ้ผัวนั้นมันชั่วมันถึงเอาตัวไม่รอดบอกว่าเขาเป็นลูกเศรษ์หลวงพอ่อเขาอย่าไปพูดอย่างนั้น อย่าไม่แช่ลูกศิษย์ไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนว่าเป็นอาจารย์พระพุทธทาท่านเขียนไว้อย่างนั้นนะบอกว่าเมื่อไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนว่าเป็นอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะมันไม่ทำตามคำสอนมันทิ้งอาจารย์ชะนานแล้วจึงได้เป็นอย่างนั้นมันมันเป็นอย่างนั้นะจะแก้อย่างไรมันก็ต้องแก้ที่ชุบ ที่เหตุนะเหตุของความชั่วมันอยู่ตรงไหนต้องแก่ตรงนั้นแต่ไม่มีคนช่วยแก้อีกนะเมืองนอกก็ไม่มีพระที่จะช่วยแก้ปัญหาพระติไปอยู่ก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านพระติจรไปเป็นข้างกล่าวก็ยามหนักกระเป๋าหนักไปทั้งนั้นมีแต่เครื่องรางของครั้งอะไรแต่อะไรไปแจกไปขายได้ดอลลาร์กลับบ้าน แล้วมันจะช่วยอะไรได้สิ่งเหล่านั้นมันช่วยไม่ได้ไม่สอนให้คนเข้าใจไม่ให้รู้ว่าเหตุมันเกิดที่ตัวเราผลมันก็อยู่ที่ตัวเราแต่ว่าเขาไม่ได้นั่งลงพิจารณาตัวเองตัดเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าวนเวียนอยู่ในสังสารวัต คือความชั่วทั้งหลายที่ทําแล้วทำอีกไม่รู้จัดจบไม่รู้จักสิ้นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้คนไปอยู่บ้านเมืองนกถ้าตั้งใจทำมาหากินรู้รู้จัดเก็บปอมรอมริบยอมตั้งตัวได้ไม่ไม่ลําบากยากแค้นแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ประพฤติธ ร, รมตั้งตัวไม่ได้เอาตัวไม่หอด อเมริกาแล้วก็ไปร่างกายอาหารแม่บ้านก็บน่นบอกว่าสามีของดิฉันเนี่ยเป็นลูกศิษย์ประสังกราตบวชกับวัดประสังกราชแต่มันไม่เอาประสังกราชไปด้วยมันเลวไหลแบบชอบเที่ยวชอบเล่นชอบเล่น ว น, นันทางโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยเอาต่เรื่องตำมากินคนก็มาจั่งอาหารก็นั่งดูโทรทัศน์เลือนเมียโกรธขึ้นมาเลยยกโทรทัศน์ไปทิ้งสติกองขยะมันไปเก็บมาเก็บมาแล้วเปิดเปิดเดฮ็ดีกว่าเก่า <laughs> เลยเมียเมียโกรธก็ว่าเอาไม้ก้อนทุบ จอจะเลยไม่ต้องดูต่อไปอไปงั้นมันมันไม่เข้าเรื่องเลวไหลไม่ไม่ได้ตั้งใจทำดีตาม ท, ท, ที่ควรทำเลยเอาตัวไม่รอดเยอะแบบนั้นเยอะพอวันสุกรหนูหนูสาขับรถไปเมืองัสเวกัสไปเสี่ยงชูปแต่ว่าแพร่ก็กลับหน้าเศร้า ชนะก็หน้าบานน้อยแต่วันหลังไปก็แพ้อีกมันไม่ไม่มีความเจริญอะไรเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่ได้คิดว่ามันถูกหรือผิดปันดีหรือชั่วมันเสื่อมหรือเจริญเอาคิดไม่ได้ชีวิตซ้ํำซากอยู่กับความชั่วตลอดเวลาเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นนี่มันเป็นปนัญหา ก่อนเราปั่นสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์เองแต่เรารู้จักปัญหารู้จักเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องชีวิตมันก็ดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นไม่มีความทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนและในการศึกษาธรรมะก็เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้อง เรื่องสำคัญที่เราควรจะรู้ก็คือเรื่องตัวเราเองพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้คนทุกคนเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเองรู้ว่าอะไรอะไรมันเกิดที่ตัวเราความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความมั่งมีความยากจนความเป็นที่รักที่ชังของคนทั้งหลายมันอยู่ที่ตัวทั้งนัน ไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่นอย่าไปเชื่อให้เผยออกไปนอกรูนนอกทางอะไรอะไรมันก็อยู่ที่ตัวเราต้องแก้ที่ตัวแล้วปัญหาทั้งหลายก็จะถูกแก่แต่ว่าในบ้านเมืองของเรานี้มีคนที่ดึงคนไปหาความโล่ความเกลามากกว่าคนที่ดึงคนไปหาปัญญา พระสงฆ์องค์เจ้าก็ดึงคนออกไปนอกรูนนอกทางเป็นหมอดูหมอปลุกหมอเสกลงเลขลงยันยุ่งแต่เรื่องไสยศาสต ร, ร์ตลอดเวลาใครไปหาก็ทำแต่เรื่องไสยศาสต ร, ร์เดี๋ยวว่ารับเคราะห์ชาวบ้านพระนั่งรับเคราะห์คราะหมันก็แย่ไปรับกองก็ทําไมก็ตายบาปก็ทําไม มันควรจะสอนให้เข้าใจว่าเคราะห์คืออะไรโชคคืออะไรมันเกิดจากอะไรควรปรุงแก้ไขอย่างไรไม่แนะม่สอนแต่ว่าทาแต่พิธีอยู่อย่างนั้นคนมันก็ไม่ดีขึ้นไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจพระธรรมไม่เข้าใจพระสงฆ์ยิ่งทมก็ยิ่งห่างออกไปทุกวันทุกเวลามันเป็นอยู่อย่างนี้ แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไรมันแก้ไม่ได้ไม่ว่าปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาของประเทศชาติมันก็วนอยู่อย่างนั้นวนอยู่ที่ความเชื่อเหลวไหลไม่ได้เอาปัญญามาใช้การแก้ปัญหาจึงไม่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้อันนี้เราจึงต้องอั น, น มาเปิดหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์เปิดไปหน้าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องแล้วเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนการกระทาผลมันก็จะดีขึ้นได้เพราะเราเชื่อถูกทางทำถูกทางแก้ปัญหาได้ถูกจุดมันก็จะดีขึ้นแต่ว่า ย, ยากเพราะว่า ความเชื่อควงหัวไม่มีผู้แนะนําชักจูงแนวคิดแนวชีวิตแต่เข้าใจในรูปใหม่จึงเป็นไปอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่วุ่นวายกันอยู่พอสมควรไม่ว่าในวงการไห น, นวงการชาวบ้ า, บานวงการพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันวนอยู่ในเรื่องไสยศาสตร์ส่งเสริมกันแต่เรื่องไสยศาสตร์ ไม่ส่งเสริมพุทธศาสตร์อันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาสมมติว่าท้าพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดท่านคงตกใจตกใจวันนี้มันถืออะไรกันเว้ยคำสอนที่จันสอนไว่มากมายมันหายไปไหนหมดมันเอาอะไรมายึดมาถือมาปฏิบัติกันอยู่พระพุทธเจ้าคงจะตกใจ กลับมาเกิดในยุคนในสมัยนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ออกไปนอกรูกนอกทางกันหมดไม่เดินตามเส้นทา ง, ง, ท, างที่พระพูมีพระปาทเจ้าขีดให้เดินพระองค์ก็คงจะตกใจเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะมันเปลี่ยนกันไปมากจนจนเสียรูปเปลี่ยนจนเสียรูปจนจำรูปเดิมไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือความเสียหาย เกิดอยู่ในวงการของเราทั้งหลายที่เรียกว่าพุทธศาสนาจุดยืนมันไม่ค่อยมีแล้วพระพุทธศาสนาที่เสื่อมมาจากประเทศอินเดียเนี่ยเพราะเรื่องนี้พเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่ว่าคนอิเนเดียไม่เคารพไม่บูชาแต่ว่าพระสงฆ์นี่ทำผิดคือต้องการดึงคนเข้าวัดโดยไม่ได้ใช้ปัญญา เอาสิ่งทั้งหลายมาล่อมาจูงใจคนทำต า, า, ามวิธีของพรามที่เคยทำมาโกดทำทุกอย่างให้คนได้มาวัดกันคนก็มาแต่ไม่ได้ฉลาดขึ้นไม่ได้เข้าใจขึ้นมามาก่อนแลไอ้แบบนี้ของเราเคยทำมาเนี่ยรามเคยทำอย่างนี้พระลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ทำเหมือนพรามแล้วเราจะมานับถือพุทธทำไม นับถือพรามดีกว่าเมื่อถอยหลังไปหาพรามหมดกลายเป็นศาสนาฮินดูอยู่ในปัจจุบันนี้เพระพราสงเราไม่มีจุดยืนที่แน่นอนไหลไปตามลาบตามสักการะพระพุทธเ จ, จ้าบอกว่าทางสองทางทางหนึ่งไปสู่ลาบทางหนึ่งไปสู่นิพพานเกิด ค, ความดับทุกข์ แต่เราเดินทางไปสู่ละมันก็ห่างพระนิพพานคือความดับทุกข์ทำลายจุดยืนของเราเองไม่มีความมั่นคงอะไรเราพูดจัดว่ายอย่างนั้นเราก็ทำกันอยู่อย่างนั้นส่งเสริมกันอยู่แต่เรื่องอย่างนั้นคนก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่เข้าใจคำสอนที่ถูกต้องปฏิบัติก็เผลอไปนอกรูก่นอกทาง แม้จะเจริญภาวนาก็ยังไปยังออกไปนอกลูกนอกทางบางทีก็เปลี่ยนจุดยืนที่สำคัญเขียนพูดว่าพระนิพพานมีตัวตนอย่างนี้มันก็ไกลไปแล้วมันไม่ถูกลักเดิมแล้วพระนิพพานเป็นตัวเป็นอนัตเป็นอัตตาพอเป็นอัตตาขึ้นมันก็เป็นหินดูไั้นัน พระฮินดูก็มีอัตตาตัวใหญ่เรียกว่าปรมาตตมันบรมอัตตาสัตว์ทั้งหลายออกมาจากตัวนั้นแล้วก็ต้องเบีนยนไหวตายเกิดไปต่อยกลับไปสู่ตัวนั้นเขาเรียกว่ากลับไปสู่ตัวเดิมเป็นนิวาธของเขาแต่นิพานของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนิพานคือความว่างจากกิเลส หมดจากความยึดมัน่นถือมัน่นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอันนี้เวลานี่สอนว่านิพพานเป็นตัวให้คนเข้าไปเกาะไปยึดอันนี้คือสอนผิดแต่ไม่มีใครคัดค้านแล้วก็สำนักใหญ่คนมากจูงคนไปได้เยอะให้หลงไหลมัวเมาในคำว่าบุญเนี่ยให้คนเมาบุญทำบุญกันจนหมดเนื้อหมดตัว แล้วก็ลำบากเดือดร้อนมันก็ผิดหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาได้สอนให้ทำบุญมากมายอย่างนั้นให้แบ่งทำเรามีร้อยเนี่ยก็แบ่งไปทำบุญสักพอสมควรเอาไว้สำหรับชายบ้างสำหรับกินบ้างสำหรับดำเดนินชีวิตการงานบ้างไม่ใช่จะเอาเงินไปซื้อบุญซื้อวิมานบนสวรรค์แล้วก็ทำกันเป็นการใหญ่ วิธีการโฆษณาก็โฆษณาชวนเชื่อให้คนหลงไหลมัวเมาแล้วก็เสียสละเอาเงินไปสร้างวัตถุที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากแก่สังคมอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแต่ว่ามันสำนักใหญ่การโฆษณาแพร่หลายคนก็หลงไหลมัวเมากันในกิจกรรมอย่างนั้น จรงความจริงมันก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจเพราะหลับปูหลับตาเชื่อพอติดกับไปในสำนักก็แล้วก็เชื่ออย่างนั้นสอนให้เชื่ออย่างนั้นในทำอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้คนไม่เคยเข้าวัดพอเข้าไปแล้วก็หลงเมาในเรื่องอย่างนั้นนี่คือการสอนที่มันไม่ถูกต้อง ปลาดจุดหมายอันเป็นหลักหน้าแท้ในทางพระพุทธศาสนาแต่คนก็ไปกันมาเพราะคนปัญญาอ่อนมากมีมากในบ้านเมืองในลกูกคนปัญญาอ่อนเยอะการังมันก็เหมือนกันโง่โเหมือนกันก็รังมันจูงคนไปฆ่าตัวตายกันก็มไปฆ่ากันที่ประเทศอื่นประเทศกาหน้าในอเมริกาตาย ไปฆ่าการตั้งสองพันคนตายพร้อมกันเดี๋โลกนี้มันเป็นทุกข์อย่าอยู่เลยตายจะดีกว่าแด้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอะไรชวนกันกินยาตายไอหัวหน้ามากินน้อยเลยไม่ตายนกลกโลกนอกดั้งหลายตายเครียงอ่านข่าวแล้วนึกในใจก็รังนีมันยังอู้เหมือนกันไม่ใช่ตลาดทุกแง่ทุกตลาดในด้านเทคโนโลยี ในเรื่องวิทยาการแผนใหม่แต่ใ น, ในเรื่องศาสนาก็ยังงู้อยู่คนยังหลงยังงม ง, งายกันอยู่ไม่เข้าเรื่องมีบ่อยๆแต่บางทีก็มาสอนทั้งเมืองไทยนู่นไปสอนบนภูเขาจากจูงชาวเขาให้เชื่อให้นับถือไปหาคนที่ยังองค์ไม่รู้อะไรให้ปฏิบัติกรมการศาสนารู้เขา้าก็ไปสังเกต หัวหน้าก็แผ่นหนีออกไปนอกประเทศแล้วเป็นอย่างนั้นมาตำกลงให้หลงให้เข้าใจผิดเอ่ยวิธีการต่างๆมีอะไรแปลกๆ แ, แล้วคนไทยเราก็ชอบของต่างประเทศจะด้วยแต่เป็นก๊รังเป็นอะไรเมาชอบชออกชอบใจเขาคิดขาดสอนแพงตั้งสี่ห้าพันบาทวัดไทยไม่คิดอะไรก็ไม่มาต้องไปเป็น ล, ลูกเศรษฐก๊รัง เสียค่าปฏิบัติได้เสียเงินแล้วก็สบายใจถ า, า, ามไปถามม้าก็ไม่ได้เรื่องอะไรถามไปอย่างนั้นเอมันมีเทคนิคหล่อใจคนทำให้ตื่นเต้นพวกโยกีอินเดียนี่มีเทคนิคเยอะไปต้มฟรังได้เงินเยอะๆนะได้รถยนต์มากๆได้ที่ดินมันหลอกต้มเรียกว่ามาหารือซี ไปอยู่ที่อเมริกาลูกศิษย์เยอะพรังปัญญาอ่อนเยอะเข้ามาปฏิบัติแล้วก็สร้างสำนักได้ใหญ่โต ว, วันนี้สุดรัฐบาลไปเก็บภาษีไม่ยอมเสียก็บอกกลับประเทศได้เอาส่งกลับประเทศอินเดียไปมัน เ, เป็นอย่างนั้นมีเทคนิคเขามากเรียกว่าเผยแผ่ธรรมะด้วยวิธีที่ ล่อคนให้หลงให้มโมเมงให้เข้าใจผิดนั่นไม่ใช่วิธีการของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่วิธีอย่างนั้นแต่ใช่วิธีพูดจาแนะนำให้เข้าใจความจริงจนเขาเห็นด้วยตัวของเขาเองว่าเป็นสันทิติโกคก็เห็นชัดด้วยตัวเองไม่ได้เชื่อตามเขาบอกตามเขาว่า แต่เชื่อเพราะเห็นชัดด้วยตัวเองและรงพยายามพูดจาชี้แจงอธิบายเหตุผลให้คนนั้นเข้าใจไม่ใช่วิธีการหลอกล่อเพื่อเอาตัวคนนั้นมาเป็นลูกศิษย์ตัวอย่างเช่นก็หาบอดีคนหนึ่งซึ่งร่ำรวยทรัพย์สมบัติมากมีชื่อเสียงเคยเป็นลูกศิษย์ของพวกนิครมาก่อน แต่ว่าได้รับข่าวว่าพระพุทธเจ้าเทศไปรล้อย่างนั้นอย่างนี้คนก็ไปพูดกันแกก็อยากจะไปฟังบ้างเลยไปลาอาจารย์ด้วยความเคารพ บ, บอกว่าอยากจะลาไปฟังเทศพระพุทธเจ้าหน่อยอาจารย์ไม่ยอมไม่ไปอาจารย์กลัวลูกศิจติตนนอก่างปรณีเลยบอกเฮ้ยอย่าไปเลย ไป ม, มีอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นนะไป ม, มีอะไรแปลกไปเหมือนที่เราสอนเหมือนกันไปไม่ได้เพราะอาจารย์ห้ามทั้งที่สองไปลาอีกอาจารย์ก็ห้ามไม่ให้ไปทั้งที่สามไปลาอีกอาจารย์ก็ห้ามแต่แกดื้อแล้วแกไม่ยอมแล้วแกก็ไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าไปกับพวกบริวารหลายคน อเข้าไปในบริเวณวัดเจตวันก็ไม่มีใครสนใจต้อนรับกับสู้ อ, อะไรเมื่อได้แสดงตนเป็นลูกสบอกว่าข้าพระองค์่จะไปสํานักไหนนะเขายกธงต้อนรับนะก็เขเียนคำว่ายินดีต้อนรับท่านสนใจมาน้านเราเขียนต้อนรับใครต่อใครแต่ว่าข้าพเจ้ามาสู่สานักของพระองค์ ไม่มีใครทําอะไรไม่มีใครสนใจแล้วได้มากวางธรรมของพระองค์พระองค์ก็สอนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจความจริงสนใจเนี่ยไม่ได้ไปตั้งใจไปขวางตั้งใจจะไปโต้เถียงกับพระพุทธเจ้าโตเถียงเพื่อเอาชนะค่าขานกันแต่ว่าโต้กันพวกศาสนิกอื่น หรือเขาเรียกว่าเดรตีเดรตีนี่ไม่ใช่คำหยาบคายอะไรหมายความบาดท่าอื่นเป็นชื่อของท่าน้ําเดรตีคือท่าอื่นอัญญเดรตีหมายความบาดท่าอื่นคนที่นับถือศาสน า, าอื่นก็เรียกว่าอัญะเดรตีเขามาไหวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ต้อนรับโดยดีคุยกัน สนทนากันแล้วเขาบันทึกไว้ละเอียดว่าเดรัจฉ์คนนั้นามอะไรพระพุทธเจ้าตอบอะไรแล้วก็แย้งเรื่องอะไรเขียนไว้ละเอียดในประศูน้านสนใจก็ไปโต้เถียงปัญหาสนทนากันยาวเป็นสูตรยาวผลที่สุดก็ยอมจำนนด้วยเหตุผล มายอมจำนนด้วยเหตุผลแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ขอแสดงตัวเป็นลูกศิษย์ของพระองค์คออเปลี่ยนใจอยากสะนิครนมานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงพอใจไหมในการกระทําเช่นนั้นพระองค์กลับบอกว่าคิดดูวหดีนะท่านนีเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมคนเขาให้เกียรติค็นับถือ ท่านเกยนับถือพวกนี้คนมาโกนแล้วจะมาเปลี่ยนใจนับถือเราละคนก็จะหาว่าเป็นคนใจง่ายเปลี่ยนง่ายมันไม่สมควรนะคิดดูให้ดีนะสนใจได้ควางเจนนั่นก็ยิ่งเลื่อมใจมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นครูอื่นอาจารย์อื่นเพียงแต่สนใจมาวัดเนี่ยก็ยกธงต้อนรับแล้ว ตาสนใจพาหนี่ม์ไปที่บ้านก็เรียกว่าเดินเป็นกระโบนไปแล้วตีอกดีใจแต่ว่าพระองค์นี่ไม่แสดงอาการอย่างนั้นต่อข้าพระองค์ไม่ได้แสดงความตื่นเต้นในการมากองข้าพระองค์เลยแม้แต่น้อยสนทนาธรรมกันเรียบร้อยเมื่อข้าบพระองค์เรื่องใสยอยากจะเป็นสิทธิ์ของพระองค์พระองค์กลับห้าม ไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นกลัวจะเสียชื่อเสียเสียงข่าพระองค์ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาเลยก็ประกาศตนเป็นอุบาสกว่าเป็นอุบาสกแล้วพระผู้มีพระภาคยังเตือนอีกอย่างหนึ่งเตือนว่าบ้านของท่านเนี่ยเคยเป็นที่ไปมาของพวกนิครน ว่าท่านเปลี่ยนใจมานับถือเราแล้วอย่าปิดประตูบ้านสำหรับคนเหล่านั้นนักบวชเหล่านั้นจะมาบ้านของท่านก็ให้ต้อนรับตามปกติเคยกราบเคยไหว้เคยให้อาหารเคยต้อนรับอย่างไรให้กระทำอย่างนั้นอย่าแสดงอาการรังเกียจนิ้าพระไัยของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้นะ ชาวมุสลไทยไปนับถือศาสนาอื่นที่เขามาสอนนะมันเขาห้ามไม่ให้ว่าพระไม่ให้ไปวัดไม่ให้พร ะ, ม, ม, พระมาบ้าน น, นี่ใจคับแคบพวกสอนศาสนาใจคับแคบทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอเออบ้านเธอเป็นที่ไปมาของเนรติอินคนอย่าปิดประตูบ้านต้อนรับเหมือนเดิม เขามาก็เคยง่ายเคยทำอย่างไรก็ทำเหมือนเดิมอย่าเปลี่ยนแปลงจิตใจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง<ม>สอนอย่างนั้นก็ไม่ต้องแตกแยกแตกรล้กับพวกเดิมพระองค์ใจกว้างนี่กสนใจก็แหมแสดงความปลื้ม อ, อกปลื้มใจและบอกว่าจะปฏิบัติตามที่พระองค์แนะนำ บ้านสนใจก็ยังเป็นบ้านเปิดกว้างสาหรับทุกติกายทุกลัที่ที่เก่ามาบ้านในการตอนรับด้วยดีเนี่คนเก้าถึงธรรมะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ถึงกรรมะก็รังเกียจกันเป็นเสด็์อาจารย์นั่นรังเกียจอาจารย์โนู้นภาพไม่อ่านหนังสือของคนนั่นของคนนี้นี่คือความเป็นคนใจแคบแคบตรงนั้นไม่กว้างขวาง ไม่ถูกต้องการกระทำที่มันไม่สมควรอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีอยู่ในวงการพุทธศาสนาเอาเอาค่ะวันนี้หนูมานั่งนี้อย่านั่งตรงนั้นร้อนเข้ามาไหนเข้ามาไหนนั่งเก้าอี้ที่ว่างค่อยๆเดินเข้ามา นั่งตรงนั้นน่ะน่งนั่งไงสบายนั่งสบายนั่งเถอะนั่งอ่าตรงนั้นเอาละเอาเถอะนั่งตามสบายพระพุทธศาสนาของเราไม่สอนคนให้คับแคบแต่สอนให้เป็นคนมีใจกว้างฝ่างเอื้อเฟื้อเปื้อแผ่ ประเทศไทยเราที่อยู่ได้เป็นอิสระอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนใจกว้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีน้ำประเทศไทยกว้างฝางอาริยรอดชาวทางประเทศแม้ว่าเป็นนักสอนสาศาสนาจะมาตั้งสำนักสอนสาศาสนาในเมืองไทย ไม่ทรงรังเกียจยังทรงเอื้อเฟื้อถึงขนาดให้ที่ดินสร้างบุถ์ติดถนนสาธรเราไปแล้วจะเห็นบุถสาธรเหนือโบดถรังนั่นในหลวงประธานที่ให้ให้สร้างไม่มีในศาสนาอื่นที่จะทำอย่างพระเจ้าแผ่นดินท่านเอื้อเฟื้อเปรอเป่ ทรงอุปธรรทุกศาสนาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่คือความมีใจกว้างตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ต้องเป็นศัตรูกับใครใครก็มาทำมาสอนอะไรก็สอนไปเถอะตามสบายไม่ว่าอะไรหลวงพ่ออยู่เชียงใหม่บอกเรียกว่าวัดชตาเวอร์ บอกลูกใหม่บอกนี่มันตึงๆอยู่หน่อยไปก่อชาสถานที่พุทธสถานเราพ่อให้ใช้ป่าวคนได้มาฟังด้วยแต่ว่าไม่มีมัญญะเวลาไปพูดกลับไปติเตียนพุทธศาสนาในบ้านของชาวพุทธชาวบ้านก็มาตอบว่า บอกว่าท่านเจ้าให้เขาทำไมให้แล้วมันไม่รู้จักบนคนมันมาด่าพุทธศาสนาเอาถ้าไม่ให้แล้วจะรู้ยังไงถ้าเราไม่ให้แล้วเราจะรู้อย่างไรว่าจิตใจพวกนี้มันขนาดไหนเนี่ยในเราให้จะได้รู้ทีหลังมาขอจะได้ไม่ให้จะได้อ้างว่าท่านเพี่ไม่มีมันญาติในการเผยแผ่ธรรมะจิตใจไม่เป็นธรรม จึงไปสอนอย่างนั้นเราจะได้ว่าเขาได้ตีหลังมาขอลงพ่อแม่ก็าถามว่าทำไมไมาครั้งก่อนทำไมห่ยบอกครั้งก่อน้ายแต่ว่าพวกท่านนี่ไม่มีมัญญาพูดจาไม่ถูกต้องมาพูดในบ้านชาวพุทธแล้วไปตีเตียนพุทธศาสนานี่มันมันถูกไหมนะมันเป็นสมบัติของผู้ที่รู้ธรรมะหรือเปล่าเราหนึ่ง แล้วก็ไม่ให้เพราะว่าไม่เรียบร้อยให้ทดลองก่อนดูว่าเขาเป็นยังไงเราก็าให้ทําใจกว้างครับเราแต่เขาไม่ใจกว้างเหมือนเราทีหลังก็ไม่ต้องให้เป็นอย่างนั้นโดยปกติก็ไม่ได้คิดรังเกียจใครในเรื่องตากความแตกต่างของศาสนาหรือว่า มีธรรมะอยู่ในทุกประคัมภีแต่คนที่สอนไม่เข้าถึงธรรมะเท่านั้นแล้วก็สอนคนไม่ให้เข้าถึงธรรมะด้วยดึงคนให้ฝืดไปให้ยึดถือผิดๆให้มีจิตประทุษร้ายต่อกันกรูดกันเกลียดกันริษยากันทำร้ายกันซึงมันไม่ถูกต้อง ธรรมะต้องเป็นไปเพื่อความสะอาดสว่างสงบทางจิตใจไม่ว่าอยู่ในคัมภีร์ไหนมันต้องมีจุดรวมเหมือนกันคือสอน่นให้ปฏิบัติเพื่อความสะอาดสงบสว่างทางจิตใจจะได้เข้ากันได้ไม่ต้องทะเลาะพอแว้งกันอันนี้ที่สอนไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตมันยังติดราบติดสักการะ อยากได้ผลงานอยากได้เงินเดือนที่ต่ทำงานเพื่อเผยแผ่ธรรมะมันยังเห็นแก่ตัวยยังเห็นแก่ได้ยังไม่เป็นธรรมไม่ถูกตอ้องลูกมันถึงยุ่งอย่างนี้เพราะไม่ความไม่เป็นธรรมอันนี้เราเป็นพุทธบริษัท ต, ต้องทำใจให้เป็นธรรมให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเ บ, บิกบาน เราไม่รังเกียจใครในเรื่องอะไรอะไรต่างๆไม่ถือเขาไม่ถือเราไม่รังเกียจความแตกต่างในระหว่างศาสนาไม่ถือแตกต่างระหว่างผิวระหว่างชาติระหว่างภาษาระหว่างอะไรทั้งนั้นคำที่เราแผมเมตตาว่าสัพเพสัตพาสัต ท, ทังหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันกว้างไม่ได้จำกัดว่าเป็นสัตว์ไทยสัตว์ลาวสัตว์กะเมนอะไรอย่างนั้นแต่เราว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าเบียดเบียนแก่กันและกันเลยนี่ มันเป็นคำกว้างเคลือเก็นแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเจ็นเรารังเกียดคนนั่นเกลียดคนนู้นโกรธคนโน้นริษยาคนนั่ น, น, น, นไม่ใช่แล้วไม่ใช่ธรรมะแล้วใจเราไม่มีธรรมะเวลานั้นมีกิเลสเข้าครอบงำเราโกรธเขามันก็ไม่ถูกต้องเกลียดเขาก็ไม่ถูกต้องริษยาเขาเ็าไม่ถูกต้อง มันเป็นเรื่องก่อให้เกิดความทุกข์ความเดืดร้อนเวลาใจเรามีความโกรธมีความเกลียดมีความมิตรยาพยาบาทหากาดจองเวรขึ้นในใจใจเราตกต่ำาศร้าวมองเป็นบาปเป็นอกุศลความคิดไม่ถูกการพูดก็จะไม่ถูกการกระทำก็จะไม่ถูก ก็กล้าจะมาขมกันก็จะไม่ถูกต้องไปมาก็ไม่ถูกต้องอมันเป็นเหตุให้เกิดบัญาทั้งนั้นเราจึงต้องระมัดระวังสำคัญที่สุดเกิดใจของเราเระวังอย่าให้คิดเรื่องชั่วอย่าให้ถูกความลูกความโกรธความหลงความริสยาพยาบาทนาคาจองเวร จึงเรียกว่ากิเลสตัวเล็กตัวน้อยแต่มันแทรกแซงขึ้นมาในใจของเราอย่าให้ปรากฏออกมาภายนอกถ้ามันเกิดก็กักมันไว้ข้างในด้วยสติด้วยปัญญาเรามีสติกำกับมีปัญญากากับอยู่สติคือความรู้ทันปัญญารู้เท่าในสิ่งนั้น พรู้ทันปัญญารู้เท่ามันก็หยุดมันไม่ปรุงแต่งเราต่อไปแล้วไม่ล้นออกมาที่คาพูดไม่ล้นออกมาที่การกระทําเราก็ห้ามมันได้ยับยั้งมันได้ก็สบายใจไม่สร้างปัญหาแต่ที่ยับยั้งไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมจิตใจไม่เคยหัดห้ามตัวเอง ไม่เคยฝึกความอดทนไม่เคยฝึกความเสียสละหรือการบังคับตัวเองไม่เคยกระทำเช่นนั้นเหมือนกับรถไม่มีห้ามล้อเอาไปขี่ในย่านจอดเจด้วยการจราจรมันไม่ได้เพราะอ้ามล้อมันไม่ดีมันจะเกิดความเสียหาย ชีวิตเราเนี่ก็เหมือนกันมันต้องใส่ห้ามล่อไว้ตลอดเวลาห้ามล่อก็คือตัวสติกับปัญญาสติรู้ทันปัญญารู้เท่าต่อสิ่งนั้นมันต้องรู้ทันก่อนคือรู้ทันทุ่งทีว่าอะไรเกิดขึ้นในใจของเราความโกรธเกิดขึ้นพอรู้ทันก็ถามกรูดอะไรกรูดทำไมกรูดแล้วมันได้อะไร เวลาโกรธในร้อนหรือเย็นสุขหรือทุกข์สาว้องหรือผ่องแผ้วเราต้องถามตัวเอกใช้ปัญญาเป็นเรื่องวิจัยวิวิจารเพื่อให้รู้ฐานที่ถูกต้องขณะเราทำการวิเคราะห์อยู่นั้นมันก็หยุดแล้วมันไม่เกิดแล้วมันไม่โกรธแล้วในขณะนั้นแต่เราได้รู้ว่าโกรธใครโกรธเพราะอะไรใครทำให้เราโกรธ คนนั้นทําอย่างนั้นเราโกรธเก่าและเราได้อะไรเรามีกําไรอะไรบ้างใจเราสงบหรือเปล่าสะอาดหรือเปล่าสว่างหรือเปล่าไม่เห็นได้อะไรขาดทุนทั้งนั้นแล้วจะไปโกรธเขาทำไมพอ น, นึกได้ก็ยิ้มสงสารสงสารในคนที่ทําให้เราโกรธนะว่ามันยังอ้วนอ้าว อย่างไร้ปัญญาเป็นคนที่ควรแก่การการรูนาปราณีควรแก่การเอนดูควรแก่การที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้เขาไม่เป็นคนอย่างนั้นต่อไปเราคิดได้ใจก็สบายไม่กุนไม่แค้นแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันปัญญาไม่มาโรุโกรดไปพาไปบ้านด้วย เกิดที่ถนนก็พาไปโกรธที่บ้านไปนั่งโกรธนอนโกรธเวลากินข้าวก็โกรธทําอะไรก็โกรธอ่ะเรื่องอะไรทําลายตัวเองเหมือนเอามีดคมมาผักอกตัวเองแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็ตายฆ่าตัวเองมันก็ตายรอะไรผู้ชายคนหนึ่งมันฆ่าเมียมัน แล้วก็มากรุงเทพมาหาเมียน้อยเมียน้อยเห็นตาทางไม่เก่าตาก็ไล่ไปกรูดไปวัดสเกตตือมีดเล่มนแทงแต่ยังแทงไม่เก่าแทงแ ท, ง, ท, ง, ทงให้เลือดออกจ้ำจำใำไคนอื่นมาช่วยไปเชืเ่ อ, อะไรตำรวจก็มากันห้อมลอ้อมพวดจ่าชักจูงกัน มันก็ยังจะแทงอยู่อย่างนั้นนะตำรวจคนหนึ่งเอาไม้ตะบองเอ้ยมือมีดหล่นจับเลย <laughs> พอจับก็กลัวตายกลัวเจ็บกลัวตายไอ้ที่ทำอยู่มันไม่กลัวนี่นี่เขาเรียกว่าเก็บความโกรธไว้เมื่อเราเก็บแต่ของดีไว้อยากเก็บความชั่ว อย่าเก็บความโกรธความเปลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวรคุนแค้นใครๆอยากเก็บเอามาทิ้งไวนะ้มันเกิดตรงโน้นก็ทิ้งไว้ตรงนั้นอย่าเอามาเกิดเอามาก็เป็นทุกข์เองแต่รอนเนีทิ้งไว้ไม่เอาแล้วก็พิจารณาว่าไปโกรธเขาทำไมโกรธเขาเรื่องอะไร เวลาเราโกรธนี่เราดีไหมเราเย็นไหมเราสงบไหมเรามีปัญญาไหมคิดใน้วลาละเอียดพอคิดละเอียดก็เห็นเฮ้ยไม่ได้เรื่องเอาแต่เรื่องร้ายใส่ตัวฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนร้ายคนทั่วเกิดมาเพื่อเป็นคนดีเป็นคนเจริญแล้วก็ยิ้มได้หายไป แต่พอพบคนนั้นก็กิ้มกับเขาสวัสดีกันใชะไหมตื้อทู้ดรถทับต่อกันหามก็เรียบร้อยมันต้องทําอย่างนั้นจะไม่เป็นข่าวในหน้าหนังสือปิ่พติดข่าหันยิงกันทําร้ายกันคนเราที่มันทําอย่างนั้นได้เพราะจิตใจมันหยาบกระด้างไม่เคยหัดหนักห้ามตัวเอง ไม่เคยพิจารณาตัวเองตัดเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองตัวเองจึงอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่มีดีขึ้นคนเรามันต้องพัฒนาพัฒนาตัวเองให้ดีให้เจริญให้เข้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกเวลานาทีของชีวิตวันนี้มันต้องดีกว่าเมื่อวาน ตอนสายมันดีกว่าตอนเช้าตอนเที่ยงดีกว่าตอนสายตอนบ่ายดีกว่าตอนเที่ยงตอนเย็นดีกว่าตอนบ่ายก่อนนอนใจสงบใจสะอาดใจสว่างแล้วก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะทำตนได้ดีกว่านี้ตื่นเช้าก็าทิฏฐานใจที่จะไม่ทำอะไรให้เกิดความเสียหาย จะไม่โกรธใครจะไม่เกรียดใครจะไม่พยายาบาทใครไม่ริษยาใครไม่ไม่คิดชั่วร้ายต่อใครๆแต่จะมองคนในแง่ดีแง่างามอยู่ตลอดเวลาแล้วทำตามกติกาสัญญาที่เราตั้งไว้เราก็จะเป็นคนสงบอยู่ในโลกที่วุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวาย อยู่ในลูกร้อนแต่เราไม่ร้อนอยู่ในลูกมืดแต่เราไม่มืดเราสว่างด้วยปัญญานี่เป็นการอยู่ชอบตามหลักการของพระพุทธศาสนานะขอให้เราได้อยู่อย่างนั้นแบบปีนี้ก็ใกล้แล้วใกล้จะสิ้นปีแล้วปัจจิกาสิบว่าอีกสิบว่าวันก็หมด แล้วก็ทันวาพอถึงเดือนทันวาก็เป็นเดือนสำคัญเพราะเป็นในหลวงของเราทรงมีพระชนมายุครบกรอบพมีการจะ้องจะเริมกันเป็นการใหญ่ใ น, 5, นวันที่ห้ากันวาจะล้องกันทั่วไปเราก็จเจริญรอยตามพระยุคคนบาตร พระเจ้าอยู่ท่านประพฤติธรรมใช้ธรรมะเป็นหลักในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันทรงปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนเราก็ช่วยกันตามรอยประยุกลบาช่วยกันคิดช่วยกันพูดช่วยกันทำช่วยกันชักจูงแนะนำเพื่อนผูมิตรสหาห ให้ฉลองวันเฉลิมประชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี 2,541 ต่อกับ42ตั้งปีช่วยกันทาดีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองแยวนี้เขาประกาศบ่อยว่าให้ช่วยชาติแต่ไม่บอกว่าช่วยอย่างไร ช่วยชาติก็คือช่วยตัวเราให้มันพ้นจากบาปนั่นเองแต่เรายังตกตกอยู่ในอำนาจของบาปของอกุศลก็ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วจะไปช่วยชาติได้ช่วยไม่ได้อันนี้ถ้าเรายกระดับดจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นพ้นจากอากุศลทำทั้งหลายาเรียกว่าเราช่วยตัวเราได้ เขาเรียกว่าช <slowly> Get ่วยชาตไปด้วยในตัววันนี้คนไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงช่วยด้วยการช่วยตัวเองให้พ้นจากบาปจากอกุศลพ้นจากความคิดชั่วจากการพูดชั่วจากการทำชั่วจากการคบหาสมาคมกับคนชั่วชั่วจากไปสู่ที่ชั่วชั่วอย่างนี้มันก็ช่วยแล้ว ถ้าทุกคนช่วยกันประเทศชาติมันก็ปลอดภัยไม่มีปัญหาอาจยากรรมหายไปการบรรทุศรายทรัพย์สินการบรรทุศรายต่อชีวิตอะไรต่อะรมันก็หายไปภาระของตำรวจก็เบาไปหน่อยพอยสบายขึ้นพระทุกคนช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นพอญาติโยมเข้าใจอย่างนี้ วันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาอายุติฟายแต่เพียงเท่านี้อวยพรในญาติโยมทั้งหลายมีกำลังใจเข้มแข็งที่จะยกระดับจิตใจให้พ้นจากบาปจากอากุศลจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเธิดเอา ต่อไปนี้ก็เคเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลาห้านาทีการนั่งสงบใจนั่นคือการช่วยตัวเองให้ใจของเราพ้นจากบาปจากอกุศล น, นั่งด้วยสติด้วยปัญญาโดยรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในใจของเรา ตาใจก็องเราคิดปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีก็ต้องยุดมันอย่าปรุงแต่งเรื่องนี้อย่าคิดเรื่องนี้คอยควบคุมอย่างนั้นตลอดเวลาหานาทีเจิญ